โอกระธมสารสมมาถึงที่นี่ได้ฟังวาจีแจ่มใสภายรอชวนฟังฟ้าแดดร้อนมาพบประไม้ใบบางเริ่มมีความหวัง หวานชื่นน้ำกำยังจำประทับดวงจิตเรื่องเบื่อชีวิตเลิกคิดมาลายเวลาปล่อยเรื่องจำลอยทิ้งแม่น้ำคงคาสองเราสัญญารวมชีวาก่อรา ที่แท้ไม่มีแค่เพียงเราสองยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรองหลายสาขาเสตจนนาตู ใจปลื้มว่าร้อนคงทนคงคลายกว่าจะรู้ว่าน้องให้ของกินตายทุรนทุายด้วยผิดร้ายน้ำกรด แต่เพียนเราสองยังมีหุ้นใหญ่หุ่นร้องลายสาขาเส้จนหน้ากล ด้วยจิตใจปลื้มว่าร้อนคงทนงคงกลากว่าจะรู้ว่าน้องให้ของกินตายทุรนทุลายด้วยผิดรายนางกลดใจ